บรรดาท่านโยคาวยจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็เห็นที่ต้องพูดกันระยะเริ่มต้นเพราะว่าไม่ได้อยู่กันสิ้นนานสำหรับการเจริญด้วยกรรมฐาน โดยเฉพาะผู้ใหม่หรือว่าท่านที่ปฏิบัติมาเก่าแต่ไม่ได้เรื่องคำว่าไม่ได้เรื่องก็เพราะว่าหนึ่งไม่มีความเคารพในประธรรมวินยัยสองไม่เคารพต่อระเบียบสามก้าวไก่ในกิจการงานเขาบคคอื่นสี่ไม่มองจริยาของตัวเองและก็ห้า ราศจากความรู้สึกผิดชอบอย่างนี้เียว่าจะใหม่หรือเก่าก็ตามไม่ได้เรื่องในการนั้นผู้ที่จะได้เรื่องจริงๆและเป็นคนดีได้จริงๆตามคติของพระพุทธศาสนาพบาลีบทหนึ่งที่เราพูดกันฟังแล้วปีหลายหนนั่นก็คืออัตนาโจทยตานัง จงเตือนตนได้ตนเองอยู่เสมอคำเมื่อเตือนตนได้ตนเองก็พึงทราบว่าเรามีหน้าที่อะไรเวลานี้เรามีสภาวะเป็นอย่างไรเราเป็นพระเราเป็นเนนเราเป็นอมบาสก์อมบาสิกา แล้วก็โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเราอยู่ในขอบเขตของพระพุทธศาสนาสำนักนี้เป็นสำนักปฏิบัติสมถกรรมฐานมิปสนากรรมฐานเป็นสำนักที่ตั้งอยู่ในความเมตตาปรานี <c oughs> หวังความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจรณาสิทภาพฟังกันอยู่เสมอ พระวินัยฟังกันอยู่เสมออิติบาทสีพรมมีหารสี่อย่างนี้เป็นต้นเราฟังอยู่กันเป็นปกติแต่แล้วว่าเวลาที่เราจะพูดเวลาที่เราจะทำอะไรจิตก็เรามีความรู้สึกเป็นยังไง โดยเฉพาะอย่างยิ่งติระชันนาคาฐานอวาจาร์ที่ไม่ประกอบไปได้วยธรรมวาจาใดที่ไม่ประกอบไปได้วยธรรมก็ดีจริยานะคาติระชันจริยาจริยาที่ปร ะ, ประกอบไปได้วยไม่ทก็ดีอันนี้มาจากจิตเรายังมีอยู่ด้วยประการใด เขาห้ามการม้วนสมสิ้ก น, นกันอะกันที่เครมนักนี้ก็ห้ามบุคคลอื่นเข้าไปสู่ห้องเขาบุคคลอื่นแล้วก็มีระเบียบหลายประการซึ่งความเปยนจําเป็นจริงๆนั้นมันไม่มีที่ว่าไม่จําเป็นจะต้องตั้งระเบียบเพราะว่าถ้าคนดีก็ตั้งอยู่ในศีลหรือว่าธรรมีใน ที่จำจะต้องมีระเบียบก็เพราะว่าคนไม่ดีคนไม่ดีมีอยู่ในขอบเขตนี้จึงจำจะต้องปฏิวัติเพื่อมิสร้างระเบียบซ้อนพระวินัยขึ้นมาฉะนั้นขอได้โปรดทราบท่านที่ใหม่ก็ดีท่านที่เก่าก็ดีหรือว่ามาสายอยู่ชั่วคราภก็ดีถ้ามีจิตนึกอยู่เสมอว่า เราเป็นผู้อยู่ในขอบเขตของพระพุทธศาสนาจะต้องพึงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยถ้ามีความรู้สึกอยู่อย่างนี้ mm. ก็ไม่มีเรื่องหนักใจหระยุ่งยากใดๆเกิดขึ้นภายในสมนักหากว่าจะถามว่านี่สอนพระกรรมฐานหรือ ก็มีความรู้สึกว่ากรรมฐ า, านในเข้าเรียนกันแบบนี้แล้วตัณหาโจทยตาหนังจนเตือนใจของตอนเองไว้เสมอว่าเราดีเพียงใดเราเลวเพียงใดแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าเรายังเลวอยู่ไม่เหมาะสมกับขอบเคของพระพุทธศาสนานั่นก็สนแสดงว่า เราจัดว่าเป็นโมฆะบุรุษโมฆะสตรีซึ่งไม่มีประโยชน์จะอยู่ในขอบเขตของมุตศาสนาต่อไปทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราเป็นคนหาประโยชน์ไม่ได้เป็นผู้ทำลายตนเองเป็นสำคัญ ่อเมื่อถ้าเราทำลายตัวเองได้ก็ชื่อว่าเราทำลายหมู่คณะด้วยแล้วก็จงอย่าคิดพาอาจารย์ก็ดีจริยาก็ดีอารมณ์ก็ดีที่มีความรู้สึกนึกคิดนี้มันจะเป็นความลับพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านัทิโลเกอนินทิโต ขึ้นชื่อว่าความลับไม่มีในโลกคนชั่วย่อมมีความเดือดร้อนในที่ทุกสถานคนดีย่อมมีความเป็นสุขที่อยู่ที่ไหนมันก็เป็นสุขถ้าเราดีเป็นอนุนว่าเคพระพุทธศาสนาต้องการให้คนเป็นคนดีเมื่อไม่ดีพระพุทธเจ้าไม่ทรงเลี้ยง รับประสาวกทั้งหมดก็ไม่เลี้ยงคนเลวเช่นเดียวกันจงอย่าคิดว่าเรามีความสำคัญนี่ความรู้สึกอย่างนี้เป็นคติในพระพุทธศาสนาจ้งขอทุกท่านที่ได้นามว่าพระโยคาวจร นินแปลว่าเป็นผู้มีความประกอบในความเพียรทีม่มีความประพฤติประกอบในความดีจงรักษากำลังใจของเราไว้ในขอบเขตปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมโลกเกชด้ยเฉพาะอย่างยิ่งพระวินยัยละไม่ได้ถ้ามีพระวินัยดีพระพุทธเจ้าก็ยังไม่เรียกว่าพระ ยังเรียกว่าสมุทิสงจงเป็นผู้มีจิตเป็นสมาธิดีคือเป็นสมาสมาธิคิดถูกส่งอารมณ์ไม่ถูกส่งอารมณ์ดีคิดถูกพระพุทธเจ้าก็ยังไม่เรีย ก, กว่าพระเรียกว่าสมุทิสงแต่ว่าเป็นกัญยาณในชนมีวินัยครบถ้วนเป็นสาธุชน พระองค์สำเนจพระทศพลจะทรงเรียกว่าพระก็ต่อเมื่อถึงพระโสดาบันความจริงอารมณ์โสดาบันถึงรหรันสำนักของเราโคตจนน่าเบือ่อแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่กำลังใจของบุคคลบางคนพระบางรูปยังหยาบมาก ไม่มีความละอายในความชั่วยังระพฤตัวนอกรทธนอกรอยอันนี้พูดหนีไม่มีใครก็ฟ้องเพื่อผมบอกแล้วว่าขึ้นเชื่อว่าความลับไม่มีในโลกฉะนั้นขอทุกท่านจงตั้งตนไวในความดีให้ครบถ้วน นี้ฉะนั้นความเดือดร้อนจะถึงท่านนั่นก็คือความไม่ปราถนาไม่คบคาสมาคมจะมีขึ้นและเราจะไปไหนไปที่ไหนเราก็ชช่วที่นั่นความชช่วมันอยู่ที่ไหนความชช่วมันมาจากหนึ่งโลภความโลภพระขบวชว่าตัดความโลภ แต่ว่าเรายังประกอบอาชีพไม่ใช่งานส่วนรวมเป็นงานส่วนตัวทำมาค้าขายได้ปราินาความร่ำรวยสะสมทรัพย์สินอย่างนี้เป็นตัวดึงไปสู่บายภูมิความชั่วจุดหนึ่งที่เป็นรากเก้าของความชั่วเหมือนกันนั่นคือโทสะละพยาบาท มีความระแวงสงสัยอยู่เสมอว่าคนนั้นเกลียดเราคนนั้นไม่ชอบใจเราคนนั้นคิดว่าทุศขร้ายต่อเราคนนี้มินทาว่าร้ายต่อเราอย่างนี้ก็เป็นอารมณ์ของความชั่วจะต้องพยายามระงับเลือตัดถ้ามันขาดไฟความชั่วกำลังใจอันหนึ่งที่เป็นราชาความชั่วเช่นเดียวกันก็คือความหลง หลงว่าเราดีหลงว่าเราเริเสริฐหลงว่าเราเป็นผู้เลิศดีกว่าใครๆทั้งหมดแต่ความหลงประเภทนี้มีขึ้นก็ดูตัวอย่างพระเทวทัตแต่ว่าสันดานคนชั่วย่อมไม่รู้ตัวอยู่เสมอขอทุกท่านจงอย่าทำใจเป็นอารัจฉีไม่มีความอายต่อความชั่ว เราจงพากันมีหิริความละอายต่อความชั่วโอตปะเเกรงกลัวผลของความชั่วที่จะทำให้เราเดือดร้อนความเดือดร้อนต้องมีแน่สำหรับคนชั่วมันหนีไปไม่พ้นเนี่ยเราก็นั่งมานั่งพิจรารณาว่าใจของเรามันชั่วไหมละ่ะสำหรับพระ ก็ขอแยกแลกเก้าของคนชั่วความชั่วไว้เป็นสี่อย่างหนึ่งราคะความรักในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศถ้าอารมณ์อย่างนี้ยังมีอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งรูปสวยไม่ใช่หมายว่ารูปคนอย่างเดียวรูปสัตว์รูปวัตถุใดใดก็าตาม เสียงเพระจะเป็นเสียงคนหรือว่าเสียงดนตรีก็าตามพระที่ติดเสียงเพลงเขาไม่เรียกว่าพระไม่เรียกว่าพระมโหมผ้ากาสา ว, วาพัดเขาเรียกว่าสัตว์นรกกลืนหอมไม่ว่าหอมอะไรทั้งหมดถ้าเราติดจิตเราก็ชั่วรสอาหารซึ่งมีรสอร่อย มันเป็นความเลวที่พระพุทธเจ้าสอ น, น, นให้เวลาจะกินข้าวให้พิจารณาเป็นหาเรอาฮาเปรปิโกเสัญญาเห็นว่าอาหารมาจะท่ายของความสกปรกเราไม่กินเพื่อความอ้วนพีเราไม่กินเพื่อความพ่องใสเราไม่กินเพื่ อ, อยังกินเลสให้เกิดขึ้นในใจกินเพื่ อ, อยังอัตภาพให้ทรงอยู่เพื่อปฏิบัติความดี การสัมผัสระหว่างเพศเป็นเหตุแห่งความทุกข์ถ้าจิตเราไปจับมันก็ชั่วฉะนั้นพระที่มีการเกิกรดกรั้วกากามารมถึงห้าประการจรึงจิตว่ามีรมจับว่าเป็นลมจิตชั่วอย่างยิ่งฉะนั้นหาก ว, ว่าพระของเราถ้ามีรมอย่างนี้จงรู้ตัวว่าท่านคือคนชั่ว เรืการดีงสองความโลภอย่าจะได้ทรัพย์ในศินเข้ามาเพื่อจะสร้างตนให้มีฐานะคนโลภยองฆ่าคนชั่วการประกอบอาชีพที่ไม่ตรงกับไม่ตรงกับเพศที่เราทรงอยู่นี่เป็นอาการของความชั่ว นิชาวนิชาการค้าขายเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นความชั่วอย่างยิ่งจัดว่าเป็นลักษณะของความโลกคายความสันโดษปรุงคนชั่วถ้าเป็นพระก็พระชั่วเป็นเนงก็เนงชั่วชั่วอย่างนี้ไปไหนเป็นสัตวนาบายภูมิคือ เ, เป็นสัตว์นรกเปิดอสุรกายสติริชานเป็นต้น ถ้าความโกรธความยําบาดความระ แ, ว, แวงสงสัยในบุคคลอื่นว่าจะเป็นศัตรูกับเราความจริงพระพุทธเจ้าให้สว่างเสียถ้าเราดีแล้วใครเขายัมาเป็นศัตรูการระ แ, ว, แวงสงสัยบุคคนอื่นว่าจะเป็นศัตรูข้างเรานี่เป็นอารมณ์ของความชั่วเพราะตัวไม่ดี ถ้าเราดีแล้วเราจะมีตกกังวลอะไรกับบุคคลอื่นที่จะมาว่าเราชัว่วต้องมียามดูตัวว่าเราปฏิบัติตามพระธรรมวินัยนหรือเปล่าเราปฏิบัติตามระเบียบหรือเปล่าเราฝ่าฝืนอะไรบ้างถ้าเราฝ่าฝืนก็แสดงว่าเราเลวจะไปโทษคนอื่นโทาได้ยังไง ถ้าเราดีเสียทุกอย่างมีพระธรรมวินัยครอบทนอยู่ในระเบียบ ม, มีจิตทรงสมาธิเป็นฌานสมาบัติมีวิปัสสนาญาณแจ่มใสใจมันจะโชว์ตรงไหนในเมื่อใจของเราไม่โช ว, ว์วาจาจมันก็ไม่โชว์กายมันก็ไม่โชว์ความสำคัญในตัวเราอยู่ที่ใจอย่างเดียว ที่พูดใน้ฟังอย่างนี้ถึงเมอว่าจะไม่ได้อยู่ที่วัดก็มีโอกาสจะทราบจริยาของท่านที่อยู่ที่วัดหากว่าท่านพูนใดชั่วตามนี้จงรีบพีจติจารณาตัวเองว่าควรจะอยู่หรือว่าควรจะไปเพราะอะไรเพราะว่าลักษณะของความชั่วอาการของความชั่วที่เราพูดกันนานแล้วว่าไม่มีใครต้องการ แต่เอาโอกาสนั้นมาถึงท่านเมื่อใดเขได้โปรดทราบจงทราบว่าท่านชั่วจงเกินกว่าที่เราจะต้องการไว้ภายในสำนักอย่าไปหามอำนาจภายนอกเข้ามาไม่มีใครเขายอมรับอํานาจใดๆทั้งหมดที่พูดนี้ไม่ได้ด่าใครไม่ได้ว่าใครแนะนําให้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างพระวกะลิ เมื่ออยู่กับพระพุทธเจา้าไม่สนใจในธรรมปฏิบัติองค์สมเด็จเปะสุนสวัสติโสผ้าก็ทรงขับพระชันนะซึ่งเป็นสายชาติกับพระพุทธเจา้าเป็นคนหัวแข็งไม่ปฏิบัติตามระเบียบระวินองค์สมเด็จเปาจอมไตรก็ทรงให้พระเลิกคบ้าสมาคมคือลงสมัทธรรมสำหรับสำนักของเรา ไม่เอานุญาตให้มีการมั่วสมสิ่งกันเลยกันไม่ให้เข้าบคคลห้องบุคคลอื่นอันนี้เรามีอยู่แล้วไ้าว่ามีพระท่านใดจะมีพระบางองค์และส่วนใหญ่เขาไม่คุยด้วยเขาไม่คบคลาสมาคมด้วยต่างองค์เขาต่างอยู่ต่างเฉพาะในกิตของเขาอย่างนี้จะเพื่อพึงถือว่าเขาเป็นพวกปรตเสดาย เพราะว่าเขาปฏิบัติตามระเบียบประวินัยนและกฎข้อบังคับสำนักปฏิบัติเพกรรมฐานไม่ใช่สำนักคุยกันไม่ใช่สำนักมั่วสมสิ่งกันละกันคนที่ชอบคุยคนที่ชอบมั่วสมคนที่ชอบปราพูดปรารบกคนอื่นเป็นคนเลวที่สุดซึ่งไม่มีใครต้องการผมเองผมก็ไม่ต้องการ เป็นอันว่ารมจิตอย่างนี้ขอทุกท่านที่เป็นท่านใหม่ก็ดีเป็นเก่าก็ดีจงอยารร่าทาเพราะมันเป็นความชั่วพระเก่าถ้าชั่วก็พายพระใหม่ชั่วไปด้วยฉะนั้นขอพระเก่าก็ดีพระใหม่ก็ดีจงอย่าคลุกคลีกับความชั่ว ถ้าใครก็ททำตัวผิดจาก ร, ระเบียบวินัยพระธรรมวินัยนก็ดีระเบียบข้อบังคับก็ดีจงพยายามเอาตัวออกห่างเสียนี้ฉะนั้นท่านใจชั่วและเดือดร้อนโดยเพราะอะไรถ้าถูกขับเขาก็ขับทันโดยถ้าถูกลงโทษเขาก็ลงโทษทันโดยถ้าถูกปราบปรามเขากปราบปรามทันโดยถ้าถูกจับกลุมเขาก็จับกลุมทันด้วยราะอะไร เพราะว่าเวลานี้วัดเราอยู่ในเขตงการเพ่งเล็งของเจ้าหน้าที่โดยที่เจ้าหน้าที่คิดว่าบุคคลผู้คิดจะทำลายชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และประชานชาวไทยมีอยู่ในขอบเขตของเรานี่ผมได้ยินข่าวมาเสมอตอนนี้ไปถ้าจิตใจของเราจะทรงความดีเราจะทำยังไง เลี้ยวเข้ามาหาพราะกรรมฐ า, านที่เราเรียนกันแล้วเรียนกันอีกที่ประพฏิบัติไม่ได้ก็เพราะว่ามีสันดานไม่จำเป็นความเลวของสันดานนั่นก็คือบทต้นที่สุดที่เราสอนกันว่าจงทรงอารมณ์อยู่ในอนาปานุสติกรรมฐ า, านพยายามกาหนดรู้ลมหายใจเข้าใหใจออก ถ้าใช้คำวรนนาแล้วก็ใช้คำวรนนาว่าพุทโธส่งอารมณ์ไม่เพียงเท่า น, นี้ถ้าเป็นพระเก่านี่กําลังใจดีถ้ามีความเข้มแข็งก็สามารถจะได้ทิพยคุยานแต่หากว่าวิสัยทิพยคุยานไม่มีถ้าเราส่งอารมณ์อย่างนี้เป็นปกติเพียงแค่อย่างเลวเดือนเดียว หมืว่าอย่างเรวสุดสามเดือนจิตแล้วก็สรงฌานคนที่จิตทรงฌานเนี่ยเขาม่อารมณ์สงบไม่มีความสงสารไม่มีความทะเยอทยานไม่มีความรักในระหว่างเพศไม่มีความโลภในทรัพย์สินไม่มีการอิจฉาสติญาไม่ระแวงบุคคลใดอื่นใดว่าจะเป็นศัตรูกับเราไม่มีความมัวเมาในลาบยศเสนสุข นี่กิดเพียงเท่านี้ขอท่านจะพยายามทาให้ได้มันทำก็ไม่อยากนักดูตัวอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวความจริงพวกเรานี่น่าจะให้พระเจ้าอยู่หัวท่านมาเอาอย่างเราแล้วก็ขอเตือนท่านว่าขอให้ทุกท่านจงเอาอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่า น, นีเพราะอะไร เพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้หัวทรงมีพระราชภารากิจมากยากในการปฏิบัติท้ามีการทรงตัวในด้านสมาธิแต่ถ้าว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้หัวก็ทำสมาธิได้ดีสามารถเข้าฌานออกฌานได้ทุกอย่างครั้งที่แล้วพระองค์ทรงให้ผมมันทึกเสียงถวายไป ผมนั่งอยู่ชายทะเลเพราะว่าใช้คลื่ทนทะเลเป็นกรรมฐานเมื่อพระองค์ได้รับทรงสันดับแล้วเมื่อวันที่14เมษายนได้มีโอกาสเจ้าเฝ้าพระองค์ทรงดัดว่าผมชอบเหลือเกินเพราะเรื่องคลื่ทนทะเลนี่ผมใช้เป็นกรรมฐานมาตลอดเวลาที่รู้จักคลื่ทนทะเลเป็นกรรมฐานก็เพราะว่าเล่นเรือใบ นี่นี่เป็นจุดหนึ่งที่ความเข้าถึงความดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้่หัวตอนนี่ก็จะขอผู้ไท้ฟังเวลาเหลือประมาณห้านาทีว่าพระบาทสมเด็จพี่หัวทรงทรงเจริญสมาธิจิตเป็นมีอารมณ์ทรงได้ดีเพราะท่านทำยังไง ท่านทำแบบนี้เวลาที่ท่านจะภาวนาท่านก็เอาจริงเอาจังเจ้าจิตทรงตัวถ้าเวลาจิตฟุ้งซ่านขึ้นกันดูรูปพระพุทธรูปลืมตาดูคิดว่าพุทธรูปนี่เขาทําโดยอะไรสีะอะไรเอาใจไปอยู่ที่พระพุทธรูปเป็นผู้ธานุสติที่พูดตอนนี้เพราะ่าพระองค์ทรงตรัส ก, กับพระเทพราชสุดา เมื่อปีที่แล้วผมกําลังเฝ้าท่านอยู่ทรงตัดตามนี้เมื่อเนรายการที่สองพระองค์ทรงตรัสว่าเวลาที่ผมเดินเล่นถ้าผมต้องการเดินหนึ่งชั่วโมงนี้ผมสะพายเทพไปด้วยผมก็เดินแล้วก็ตั้งใจฟังเสียงจากเทพอาจิตจับเฉพาะเสียงเทพเสียงอื่นผมไม่สนใจต้องการเดินหนึ่งชั่วโมงก็ฟังสองหน้า ต้องการเดินสองชั่วโมงก็ฟังสี่หน้าจิตจับอยู่เฉพาะในเทปเมื่อยามว่างจากกิการงานอื่นก็เปิดเทปในห้องฟังเสียงเทปแล้วก็คิดตามเวลาเวลาเวลาที่จะทรงบรรทมก็ฟังเทปจนหลับไปแต่บางครั้งฟังแล้วบังคับไม่ให้หลับมันก็ไม่หลับ บางทีฟังไปแล้วต้องการให้หลับไม่ทึงทันตึงเทพมันก็หลับสแสดงว่าพระองค์สามารถควบคุมกาลังใจได้ดีจริยาแบบนี้ผงขอแนะนําให้ท่านทั้งหลายจะเป็นพระใหม่หรือพระเก่าก็าตามคนใหม่หรือคนเก่าก็าตามจงสนใจและปฏิบัติเยี่ยงพระบาทสมเด็จพร่หัวยามว่างต้องการสงัด จับรม์ให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโทเพียงเท่านี้แต่ว่าถ้าจิตมันจับอรมสมาธิไม่อยู่ก็ฟังเสียงเทปชอบเทปอะไรก็ฟังอย่างนั้นฟังมาฟังไปฟังซ้ำๆให้ขึ้นใจแล้วว่าใช้ปัญญาพิจารณาตามเป็นด้วย อย่างนี้จะช่วยให้เราเป็นคนโยนในขอบเขตพระวินัยโยนในขอบเขตของระเบียบมีจิตส่งอารมณ์เป็นกุศลอยู่ตลอดเวลาถ้าอารมณ์จิตทรงกุศลอยู่ตลอดเวลาก็ช่อว่าเราเป็นคนดีเราเป็นเนรดีเราเป็นพระดีความจุ่นจ่านไปห้องคนอื่นมันก็ไม่มี ความอยากดีอยากเด่นอยากประเสริฐมันก็ไม่มีถ้าว่าจิตของเราทำได้อย่างนี้จงจำไว้ว่าอันนี้เราจะลองฟังดูเวลานอนไปเทปหนึ่งหน้าเราไม่ยอมให้หลับแล้วก็ไม่หลับจิตจับอยู่เฉพาะเสียงเวลาฟังเสียงเทปจนเอาจิตจับอยู่เสียงทุกคำพูด อย่าให้ทุกคำพูดในเสียงนั้นคลาดจากโหและความรู้จากจิตจิตจับไ่้เสมอต่อมาเมื่อเสียงนั้นชินฟังจนจำได้ฟังหลายหลายหนก็ใช้ปัญญาพิจารณาตามไปในด้านของวิปัสสนาญาณเพียงเท่านี้ละพโยคาวาจรทุกท่านอารมณ์ของท่านจะทรงตัวดีอยู่ภายในหนึ่งเดือนเท่านั้น หลังจากนั้นอารมณ์ชาญยาปราก ฏ, ป ร, ากฏประกอบไปด้วยปัญญาแล้วความชั่วของท่านมันก็จะไม่มีที่เราจะมีความชั่วจิตติดอยู่ในใจทั้งนี้ไม่ใช่อะไรเพราะว่าสันดานเรามันเลวฟังแล้วได้ยินก็ทําเหมือนไม่ได้ยินเห็นแล้วทำเหมือนไม่เห็นไม่รู้จักสภาวะของตัวว่าตัวมีสภาพเช่นใด เราวันนี้ก็ขอยุติวัตถเพียญดังนี้ต่อเทนี้ไปของพระโยคาวาจรทุกท่านจงพากันตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกสำหรับพระใหม่ให้เวลาให้ใจเข้านึกประพุทธเวลาให้ใจออกจะวะโทจึงกว่าจะถึงเวลาที่เห็นท่านเห็นสงฆ์คนว่าจะเลิกสําหรับ